แนะนำบทอัลฮุมาจบทอัลฮุมะจเป็นบทมักกิยามีก้าองค์การซึ่งได้กล่าวถึงบรรดาผู้ที่นินทาใส่ร้ายผู้อื่นและทำลายเกียรติยศของผู้อื่นด้วยการใส่ร้ายป้ายสีดูถูกเหยียดหยามเยาะเย้ยและดูหมิ่นดูแคลนว่าเป็นเสมือนผู้โง่เขลาเบาปัญญานอกจากนี้บทได้ประนามบรรดาผู้ที่รวบรวมทรัพย์สมบัติและสะสมทรัพย์ประหนึ่งว่า พวกเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างจีรังในโลกนี้และคิดว่าทรัพย์สมบัตินั้นจะทำให้พวกเขามีชีวิตอยู่ตลอดไปในโลกนี้บทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงบันปลายของบรรดาผู้กระทาชั่วโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกที่มีไฟลุกไหม้อยู่ตลอดกาลมันจะเผาไหมผู้กระทาความผิดและมนุษย์ที่ถูกโยนลงไปเพราะมันเป็นเชื้อเพลิงไฟนรกนั้นลุกไหม้อยู่เสมอ ด้วยพระนามของล l l a ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวความหายนะจงประสบแด่ผู้นินทาและผู้ใส่ร้า ย, ายผู้อื่นทุกคน ซึ่งเขาได้สะสมสมบัติและขยันนับมันอยู่เสมอโดยคิดว่าทรัพย์สมบัติของเขานั้นจะทำให้เขาคงอยู่ตลอดไปไม่ใช่เช่นนั้นแน่นอนเขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรกอัลฮุตตาะมา และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าอัลหุตต่อมา น, นั่นคืออะไรคือไฟของอัลลอที่ถูกจุดให้ลุกโชนซึ่งมันจะลุกไหม่เข้าไปในหัวใจแท้จริงมันจะลุกไหม้ภูมพวกเขาอย่างมิดชิต อยู่ในสภาพของเสาสูงชลุด